บทที่139ิขณะนั้นเองดวงตาที่ปิดสนิทอยู่ของร่างนั้นก็ค่อยๆเปิดขึ้นครั้งแรกมันอยู่ในแนวรีปรือแต่แล้วเงาของมนุษย์สองคนที่ยืนอยู่ในระยะใกล้คงจะกระทบเข้ากับจักรสุปราศาทตจึงลืมกว้างสว่างโพล่งขึ้นในทันทีจ้องเขม็งดารินยืนอยู่ใกล้ชิดที่สุดตาของหล่อนประสานเข้ากับดวงตาคู่นั้นอย่างจัง ครั้งแรกทำให้เกือบต้องพังงะถอยกรูดออกไปแต่แล้วก็รู้สึกสะกดความรู้สึกอันวาดวันพร่นพึงทั้งมวลลงโดยยึดเอากุศลจิตแผ่เมตตาเป็นที่ตั้งหล่อนยืนมองดวงตาคู่นั้นนิ่งเฉยครั้นแล้วก็รู้สึกว่าดวงตาบนใบหน้านั้นผิดแผกไปกว่าตาดิรชานชาตทั้งหลายมันน่าจะเป็นดวงตาของมนุษย์ที่สามารถทาความเข้าใจกันได้เพราะแววของมัน แม้จะเต็มไปด้วยความทะมึงทึงดุดัดนดุกราวสักบานใดก็ตามแต่ก็เป็นแววที่เจือไปด้วยความเดียงสารู้ความเป็นอย่างยิ่งเมื่อแรกแลมาที่หลอนอย่างพินิษสำรวจตั้งแต่ศีรษะลงไปจนกระทั่งร่างกายเท่าที่จะเหลือบกรอกตาไปให้ถึงโดยไม่ขยับขยือนต่อมาก็เปลี่ยนไปที่มาเรียแล้วในที่สุดก็ผ่านไปยังเจ้านิลเพชร อันเป็นบริวารหรือมิฉะนั้นก็คงเป็นทหารเอกที่ยืนส่งเสียงอื้ออืพร้อมกับโครงตัวอยู่ไปมามีเสียงคลางแห็บฮห่าวในลําคอออกมานิดหนึ่งพร้อมกับร่างนั้นก็ขยับไหวกายมีอาการเหมือนจะลุกขึ้นแต่ดารินเอื้อมมือมาแตะที่ช่วงไหลอันเหมือนผนนนเหล็กสากหนาไปด้วยขนปกคลุมนั้นเบาๆพร้อมกับสั่นศรีรษะช้าๆพูดว่าอย่า อย่าขยับตัวนอนเฉยๆจะปลอดภัยที่สุดเธอได้รับบาดเจ็บมากและเราฉันหล่อนชี้ที่อกตัวเองกำลังจะหาทางช่วยเหลือเธออยู่นะเราทั้งหมดมาอย่างมิตรและปรารถนาดีต่อเธอตลอดจนพวกเธอทุกตัวตนจอมวานอนชะงักพินิษใบหน้าดารินขเมิงอีกครั้งค่อยๆยกมือด้านขวา ที่วางราบนิ่งอยู่กับพื้นขึ้นเอื้อมมาจับมือดารินที่กดไว้กับไหลลูบคลำคล้ายจะหาอาการสัมผัสแล้วลดตัวลงนอนราบโดยดุจสนีมองหน้าหล่อนพร้อมทั้งกระพริบตาปริบ ป, ปริบอยู่เช่นนั้นเต็ไมไปด้วยความอิดโรยอ่อนเปรีย้ยแลเห็นได้ชัดและในที่สุดตาทั้งคู่ก็ค่อยคอยโรยรีปิดสงบลงอีก มารียกมือขึ้นโบกเรียกเป็นสัญญาณกับพักพวกคนอื่นๆทุกคนที่กำลังจับกลุ่มจ้องมองอยู่ในขณะนี้ต่างเคลื่อนตรงเข้าไปอย่างแผ่วเบาระมัดระวังชั่วอึดใจเดียวก็ยืนรายล้อมแท่นหินนั้นโดยรอบโดยไม่ได้รับการขัดขวางหรือแสดงอาการหวงห้ามใดๆจากเจ้านิลเพชรและพวกของมันที่เกะกะกั้นปากทางอยู่ด้านนอก เจ่าทหารเอกนครขีดขินหรือทัพที่ไปคุมตัวมนุษย์มาทั้งหมดบักนี้ยืนมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีในลักษณะอาการกระสับกระส่ายเชิฐาชัยยันระพินและพรานทั้งหมดพอมองเห็นได้ถนัดในสิ่งที่ดารินกับมาเรียเข้ามามุงซุบซิบพูดอะไรกันอยู่ก่อนก็ดูเหมือนแทบจะทายเหตุการณ์ออกมาได้หมดทุกคนด้วยความมุนงงพิศวงใจจนสุดที่จะบรรยายได้ พากันนิ่งขึงไปชั่วขณะเจ้าเมืองขีดขินรูปร่างหน้าตาเหมือนคนเสียงใครคนหนึ่งในกลุ่มพลานพื้นเมืองที่เงียบกริบจ้องมองนิ่งงันอยู่นั้นดังขึ้นแผ่วเบาลักษณะเหมือนรำพึงก็คงไม่มีใครนอกจากตาเท่าบุญคำปากเปราะทั้งหมดได้แต่มองหน้ากันอยู่ไปมาทุกสายตาล้วนเต็มไปได้วยคำถาม หน้าตาเหมือนคนยิ่งกว่าไอ้สางปลาซะอีกบุญคคำเอ่ยมาอีกเบาไม่เกินกระสิกก็คนนั่นแหละไอ้ว่าเขาเป็นสัตว์ที่ไหนโทษของโทษของโทษของโทษสืบต่อขึ้นไปของเราเมื่อแสนปีก่อนรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แหละผู้ที่กล่าวอย่างชัดเจนคือหมอดารินและคำพูดชนิดนั้นของนักมานุษยวิทยานั่นเองทาให้ทั้งหมดเงียบงันกันไป อีกครั้งสิ่งมีชีวิตลักษณะประหลาดที่เห็นกันอยู่นี้ต่างมีสำนึกบอกได้เหมือนกันหมดว่าเป็นชีวิตของอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยืนอยู่ในระหว่างลิงกับคนเป็นช่วงกลางของวิวัฒนาการแห่งธรรมชาติในระยะซึ่งลิงลงจากต้นไม้เลิกการเดินสีขามาเป็นเดินสองขาลำตัวตั้งฉากกับพื้นแล้วเรียกตัวเองว่ามนุษย์ ก็ เ, เป็นอะไรน้อยในท่ามกลางความเงียบงันนั้นท่านหัวห น, านา้าคณะเอ่ยขึ้นอย่างเป็นการเป็นงานปลุกพวังคิดอันเต็มไปได้วยความพิศวงอัศจรรย์ใจของทุกคนขึ้นดารินค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดแผ่นสมุนไพเรสีดำคล้ำแฉะที่ปิดอยู่บนแผ่นท้องของร่างนั้นให้ทุกคนเห็นแทนคํนตาตอบแตงอุทานออกมาเบาๆเป็นเสียงเดียวกันหมดด้วยความตกใจต่อบาดแผลที่เห็น แพทย์าสาวนักมานุษยวิทยามองไปทางพรานใหญ่ซึ่งก้มลงไปตรวจพิจารณาบาดแผลอย่างระมัดระวังพอจะบอกได้ไหมว่าเขาเดินอะไรเป็นสัตว์ใหญ่ดุร้ายมีเขาหรือนอเรียงเป็นแถวอยู่ใกล้ชิดกันไม่น้อยกว่าสองงา่ามเหตุการณ์คงจะเกิดขึ้นในระหว่างการต่อสู้ผมอยากจะถ่ายว่าคงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะถูกจู่โจม แต่คงเกิดขึ้นในระหว่างล้อมล่าและเจ้าสัตว์ชนิดนี้ต่อสู้แบบจนตรอฝากพิษสงไว้ให้เป็นการพลั้งพลาดของฝ่ายล่าใชมากกว่าจอมพรานตอบแผวต่ำรีตาลงยังหวาดเสียวต่อสภาพของบาดแผลนั้นแผลน่ากลัวเหลือเกินมองเห็นตัดเลยแต่เขายังไม่ตายไม่ใช่หรือน้อย ถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาก็คงไม่อยู่รอดเกินกว่าห้าหรือสิบนาทีภายหลังจากเกิดบาดแผลเช่นนี้แต่สภาพความอดทนของร่างนี้มีสูงมากเป็นคุณ ล, ลักษณะของความอดทนเช่นเดียวกับสัตว์ป่าทรหดทั่วไปเขาจึงหายใจอยู่ได้เป็นเวลาข้ามวันข้ามคืนจนกระทั่งไอ้นิลเพชรตัวนี้พาพลพรรคไปต้อนพวกเรามาถึงนี่ถ้างั้น ไอ้พวกนี้ลงทุนลงแรงไปต้อนเรามาก็เพื่อจะให้เราหาทางช่วยหัวหน้าใหญ่ของมันที่เจ็บหนักอยู่นี่เองใช่ไหมอดีตนายทหารปืนใหญ่พูดโดยเร็วก็ไม่มีปัญหาเครียแคลงใดๆอีกแล้วละ่ะใช่ยันมาเรียหันไปตอบหันมาเรียตอบหันไปมองดูเจ้านีละเพชรผู้หมุนกายไปรอบๆแสดงอาการกระสับกระส่ายอยู่จะพวกนี้ไม่คิดจะเป็นศัตรูหรือทำอันตรายใดๆเราเลย ไอ้ที่วางแผนยึดของเรามาจนถึงที่นี่ก็เพื่อขอความช่วยเหลือนะเองขอบคุณพระเจ้าที่บันดาลให้เรามากำมันอย่างสงบโดยไม่ต่อสู้ขัดขืนทำอะไรให้แตกหักลงไปซะก่อนจนกระทั่งมาพบคำตอบเอาวินาทีสุดท้ายนี่มันต้องการความช่วยเหลือจากเราไม่ได้คิดที่จะหักหานก้าวร้าวอะไรอย่างที่เราเข้าใจกันแต่แรกเลยความรู้สึกของทุกคนในขณะนี้ผันเปลี่ยนไปหมดสิน้น มมองเห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรไม่มีใครคิดหวาดระแวงหรือมองเห็นเจ้าลิงดำที่แวดล้อมรอบตัวอยู่ในขณะ น, นี้เป็นศัตรูอีกแล้วสถานการณ์มันกลับกลายไปอย่างไม่คาดฝันเทิาเอื้อมือไปจับที่แขนของร่างนั้นมันเป็นแขนของมนุษย์ร่างใหญ่เราดีๆนี่เองเพียงแต่ปกคลุมไปได้วยขนหนาผิดปกติไปบ้างเท่านั้นความรู้สึกของหัวหน้าคณะยามนี้เต็มไปได้วยความเมตตา และห่วงใหญ่เต็มที่อะไรนะที่ใช้ปิดปากแผลเขาอยู่นี่สงสัยว่าคงจะเป็นพวกใบไม้หรือสมุนไพรบดกระน้ำแล้วเอามาปาักพอกไว้เป็นการเยียวยากันไปตามประษาก็คงจะพวกบริวารเหล่านี้แหละที่ช่วยพยาบาลเขาแต่เขาต้องตายแน่ถ้าปล่อยอาการทิ้งไว้เช่นนี้โดยไม่มีใครช่วยเย็บแผลให้น้องสาวตอบ แล้วพอจะเอาไว้อยู่ไหมเนี่ยยังไม่กล้ารับรองหรอกพี่ใหญ่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาจะมีกำลังทนอยู่ต่อไปได้นานเท่าไหร่เราจะใช้สรกรรมผ่าตัดเข้าช่วยและนั่นก็ดูเหมือนจะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นเพราะบาดแผลมันกว้างตรงหน้าท้องไม่มีทางประสานสนิทเข้าหากันได้นอกจากเย็บและภายหลังจากเย็บแล้วถ้าเขาสามารถจะเข้าใจได้ว่าต้องนอนพักนิ่ง โดยไม่เคลื่อนไหวหรืออุตริทำอะไรให้แผลแยกเท่าๆกัที่มีแรงต้านทานต่อไปได้อีกพอสมควรเขาก็จะรอดชีวิตได้เอาละอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องอื่นใดก่อนทั้งสิ้นเลยลงมือเดี๋ยวนี้เถอะช่วยกันเร็วเร่งเวลาได้เท่าไรโอกาสที่เราจะช่วยเขาได้ก็มีมากขึ้นเท่านั้นเชฐาพูดเร็วปรืออยางตัดสินใจเด็ดขาดแล้วหมุนไปรอบๆ ร, ระหว่างที่ยังทาอะไรกันไม่ถูกเป็นอันดับแรกนั้น มาเรียหันไปทางเจ้านิลเพชรหลอนพยายามทำไม้ทำมือและพูดกับมันชา้าๆว่าเราเข้าใจแล้วนะว่าเจ้าต้องการอะไรจากเราและเรายินดีจะช่วยชีวิตเจ้านายของเจ้าจนเต็มกำลังความสามารถที่เดียวก่อนอื่นเราต้องการเครื่องเวชพัณฑ์ของเราที่เจ้าขโมยมาถ้าไม่มีสิ่งนั้น เราจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเจ้าทาหารเอกเมืองขีดขินพยายามจะเอียงหูอ่านคำพูดของมาเรียและส่งเสียงอึกอักในลำคอทีทีแสดงอาการโบกมือวุ่นไปหมดอย่างไม่รู้เรื่องมาเรียพยายามตีใบประกอบคาพูดอยู่อีกหลายครั้งมันก็คงไม่สามารถจะเข้าใจได้อยู่เช่นนั้นในที่สุดหล่อนก็คว้าข้อมือของมันพาจูงไปที่กองสัมภาระ ซึ่งวางตั้งรวมกลุ่มอยู่อย่างเป็นระเบียบซึ่งมันก็ยอมเดินตามต้อยตอยไปโดยดีเฉถารีบสั่งให้ชัยยันและพวกพรานพื้นเมืองทั้งหมดเดินตามเข้าไปด้วยทันทีสำรวจของของเราทุกชิ้นนะชัยยันตรวจดูด้วยว่าอยู่ครบถ้วนดีหรือไม่ท่านหัวหน้าคณะสั่งบัตนี้ริมแท่นหินที่พยาวานอนนอนสงบหลับตานิ่งหายใจรวยๆอยู่นั้นจึงเหลือแต่เพียงระพิน เชษฐาและดารินสามคนเท่านั้นซึ่งทากันพิจารณาดูเจ้าของร่างด้วยความประหลาดใจไม่สาง่งดารินจัดการแกะรื้อสมุนไพรที่แปะหน้าท้องออกโยนทิ้งไปจนหมดแล้วใช้เวลาว่างที่รอคอยเครื่องเวชพันธ์ของหล่อนอยู่นั้นตรวจด้วยมือเปล่าหล่อนสังเกตระบบการหายใจตรวจชีพจรที่ข้อมือและตรงคอสีหน้าเครียดขรึม แสดงอาการยุ่งยากลำบากใจเป็นอย่างยิ่งตลอดเวลาร่างนั้นนอนนิ่งไม่กระดิกกระเดี่หรือลืมตาขึ้นมาอีกเลยนอกจากจังหวะหายใจแผ่วๆเท่านั้นขณะนั้นเองพรานใหญ่ก็สกิดเชษฐาเบาๆท่านหัวหน้าคณะหันไปก็เห็นระพินชี้มือไปที่ริมผนังหินใกล้ๆแท่นหินนั้นซึ่งมีอะไรชนิดหนึ่งวางพิงอยู่เขาเองก็เพิ่งจะเหลียวมาพบ สังเกตเห็นเมื่อจอมพรานส ก, กิดบอกเดี๋ยวนี้เองพอลเลยห็นถนัดก็ขมวดคิ้วชะโงนเอ๊ะคล้ายๆสากหรือกระบองนะเชษดถารองเบาๆวัตถุนั้นคือแท่นหินกลมแท่งหนึ่งยาวประมาณวาเษิษปลายด้านหนึ่งกลมใหญ่คล้ายสากดำเข้าเรื่องๆ อ, อีกด้านหนึ่งเรียวเล็กลงมารูปร่างเป็นหินแกร่งสีดำกลมกลึง เหมือนจะได้รับการตกแต่งไว้เป็นอย่างดีคเนาจักขนาดความยาวและเส้นรอบวงกะว่าอยู่ในระหว่าง 90-120 ถึงกิโลกรัมทั้งสองมองหน้ากันอีกครั้งเชฐาเดินอ้อมไปพิจารณาดูอย่างใกล้ชิดระพินเลี่ยงตามเข้ามาด้วยต่างเอื้อมมือไปแตะต้องสัมผัสเพื่อสำรวจดูมันอย่างพินิจแล้วเชษฐาก็กลืนน้ำลายฝื ด, ฝด กระซิบต่อมาว่านี่มันกระบองซิยิ่งกุยทีเดียวผมว่าขนาดกระทิงถูเข้าโครมเดียวละคอหักทันทีคุณคิดเอะว่ามันจะเป็นอาวุธคู่มือของชายประหลาดผู้นี้สังเกตขนาดร่างกายและน้าหนักตัวของเขาสิครับแล้วคุณชายจะเห็นว่าเขาสามารถจะใช้เจ้าตะบองหินที่เราผลักแทบไม่ขยื่นอันนี้เป็นอาวุธคู่มือได้อย่างสบายที่สุด ผมคิดว่านักมวยปล้ำขนาดหนักของโลกสักห้าคนก็คงแรงไม่เท่านี่มันแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเขารู้จักมีเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องผ่นแรงในการดรํารงชีพซึ่งผิดไปจากสัตว์ป่าทั่วๆไปแม้มันจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยหินก็ตามลักษณะของเขาก็เป็นคนในยุคนั้นอยู่แล้วชายคนนี้ไม่ได้เป็นดีรฉานที่จเจริญเติบโตในแนวขวางแน่แน แต่เป็นสัตว์ชนิดหนึง่งที่เจริญในแนวตั้งซึ่งตามหลักของพุทธศาสนาถือว่าเป็นสัตว์มนุษย์อย่างเราเราประหลาดเหลือเกินประพินผมพูดได้อย่างเดียวว่ามันประหลาดมากในการที่เรามาพบชายผู้นี้ถ่ามกลางนาคร ล, ลิงดำซึ่งเปรียบเสมือนอาณาจักรอาณาประชาราษฎร์ของเขาและเขาเป็นเจ้าปกครองมันว่าแต่เขามีเพียงคนเดียวเหรอที่มีรูปร่างเหมือนคน เป็นคนอย่างนี้เชิดท้าพูดอย่างตื่นเต้นครับมันทั้งประหลาดและลึกลับผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงอยู่ท่ามกลางลิงพวกนี้เหมือนจะเป็นพ่อของมันทุกตัวและจะมีตัวไหนที่มีรูปร่างหน้าตาประเภทเดียวกับเขามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นหากันต่อไปสิ่งที่จะวางใจได้ขั้นแรกนี่ก็คือระวังฝ่ายเรากับฝ่ายของเขา ไม่ได้เป็นศัตรูกันแน่นอนแล้วระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดกันอยู่ดารินเงยหน้าขึ้นจากร่างของมนุษย์วานอนเห็นแพนใหญ่กับพี่ชายยืนพิจรารณาตะบองหินลักษณะประหลาดก็ะงนดพระตรงเข้ามาสมทบดูอยู่ด้วยพอพินิษเพียงอึดใจเดียวหล่อนก็นึกทายอะไรถูกหมดอาวุธของเขาดูเหมือนจะมีเลือดอะไรสักอย่างหนึ่งติด ก, กลางอยู่ตรงส่วนปลายนั่นด้วยกระพิน คุณตรวจดูสิมันอาจเป็นเลือดของเจ้าสัตว์ที่ทำให้เขาต้องนอนเจ็บอยู่นี่ก็ได้หล่อนกระซิบตื่นตื่นชี้ให้พี่ชายและจอมพรานดูระพินไพรวันก้าวเข้าไปจนชิดตะบองหินนั้นอีกครั้งสํารวจดูรอยเลือดเกล็ดกลังที่เปื้อนติดอยู่ก็คงไม่ผิดไปจากที่คุณหญิงว่าหรอกครับเพียงแต่ผมพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเป็นเลือดของสัตว์ประเภทไหนเท่านั้นรอยเลือดนี่ประมาณสักสองวันมาแล้วล่ะครับ ขณะที่พูดจอมพรานหมุนกายใช้สายตากวาดไปตามพื้นใกล้เคียงกับแท่นหินนั้นอย่างทีทุวนแล้วชี้ให้พี่น้องราชสกุลทั้งสองดูอะไรอีกสองสังอย่างซึ่งวางเกะกะอยู่ตามพื้นและก้อนหินบริเวณ น, นั้นดูนั่นสิครับหลักฐานของการเป็นอยู่ที่เหนือชั้นกว่าสัตว์ชั้นต่ำขึ้นมาแม้ว่ามันจะเป็นของที่แสดงถึงยุคต้นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็ตาม สิ่งเหล่านั้นคือหนังสัตว์บางชนิดทั้งผืนใหญ่และเล็กซึ่งสันนิษฐานได้ว่ามีไว้สำหรับปูนอนหม่มหรือมิฉะนั้นก็พันกายสุดแต่ความกว้างใหญ่ของแต่ละชิ้นริ้วเชือกหนังถักใบมีดและขวานหินที่รับยางคมพอที่จะชําแหละเชื่อเฉือนเนื้อได้ไม้ท่อนขนาดใหญ่ที่แกะซ้อด้วยของมีคมให้วาลึกลงไป ซึ่งพอจะอนุมานได้ว่าเอาไว้สำหรับเป็นภาชนะใส่ของและในขณะนี้มีน้ำใสสะอาดถังไว้เต็มเปี่ยงสิ่งประกอบในความเป็นอยู่เหล่านี้ถ้ารู้จักประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ได้ผู้ทํามันขึ้นมาจะต้องเป็นสัตว์ชั้นสูงประเภทมนุษย์เท่านั้นระพินคุณจำที่แงาสายพูดได้ไหมเจ้านั่นน่ะเอ่ยถึงมนุษย์วานอนตอนที่เจ้าลิงดาพวกนี้ไปล้อมจับเรา แม้ผมจะสังเกตเห็นว่ามันมีไหวพริบฉลาดกว่าสัตว์ประเภทลิงทั่วๆไปสักเพียงใดก็ตามผมก็ไม่อาจกลงใจเชื่อได้ว่าเพวกนี้จะเป็นมนุษย์วานอนไปได้ยังไงเพราะรูปร่างลักษณะของมันก็คือลิงใหญ่นั่นเองแต่เมื่อมาเห็นตัวเจ้าหรือหัวหน้าใหญ่ของมันนี่เข้าผมก็เชื่อซะแล้วละ่ะว่ารายงานข่าวจากแงซายที่อ้างว่าได้รับทราบมาจากอาจารย์ของมันอีกทีหนึ่งนะ่ะเป็นความจริงแล้วนี่พวกมันรู้ได้ยังไงนะว่ะ เราสามารถที่จะช่วยเจ้านายผู้กำลังเจ็บหนักของมันได้จนถึงก็ยกพลไปล้อมจัดต้อนพวกเรามาหรือจะเรียกว่าเชิญก็ได้เหมือนกันคือเชิญให้เรามาช่วยหัวหน้าของมันผานใหญ่ฝืนยิ้มสัน ร, รีสะแช่มช้าเขาเองก็งงงันไปหมดเช่นกันหันไปมองหน้าหมอดารินคุณหญิงตรวจร่างกายของเขาแล้วไม่ใช่เลยครับมีอะไรทางหลักวิชาแพทย์หรือมนุษยวิทยา ที่จะค้านว่าเขาไม่ใช่มนุษย์บ้างหรือไม่ราชสกุลสาวเต็มไปได้วยความอัดอั้นใจจับสายตานิ่งอยู่ที่ร่างนั้นตามหลักวิชามานุษย์วิทยาแล้วแน่สายก็น่าจะพูดได้ถูกต้องนะก็คือมนุษย์วานอนหรือนิแอน e ดอร์ทอร์ซึ่งเป็นมนุษย์ในยุคต้นที่เริ่มจา ก, กลายสภาพจากลิงใหม่ๆก่อนมนุษย์ยุคหินหรือที่เราเรียกกันว่าคนถ้ำจะอีก คนดึกดําบันประเภทนี้มีสันฐานโครงร่างไม่ผิดอะไรกับคนในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นี่เพราะมีอะไรต่ออะไรในร่างกายใกล้เคียงบรรพบุรุษลิงอยู่เป็นอันมากเป็นการแปรรูปกํากึ่งกันระหว่างลิงมาสู่คนสังเกตได้จากทรงกระโหลกขนตามร่างกายและแขนขาที่ผิดส่วนไปจากคนขณะที่พูดหมอดาริงชี้ให้ดูเกี่ยวกับการตรวจสภาพร่างกายก็เหมือนกันนะ ฉันไม่อาจบอกอะไรได้ชัดเจนนักรู้สึกแต่เพียงว่ามันผิดจากมนุษย์ธรรมดาไปมากลมหายใจช่วงยาวกว่าคนชีพจรเต้นในจังหวะที่ผิดไปจากคนกลุ่มเลือดถ้าตรวจสอบได้ก็เชื่อว่าคงไม่เหมือนคนอย่างเราๆทั่วไปบางทีจะเป็นพระสภาพแตกต่างชนิดนี้แหละที่ทำให้เขามีความทรหดอดทนได้เป็นพิเศษนี่ก็ดีที่ว่าเรามาพบเขาในสภาพและสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ จู่ๆไปพบกันเข้ากลางป่าโผลกมาก็คงได้วิ่งกันป่าราบและเพราะนึกว่าเป็นยักษ์รูปร่างหน้าตาและขนาดร่างกายของเขานะ่ะมันน่ากลัวกว่าพวกลิงบริวารจะอีกเมื่อกี้นี้ก่อนที่พวกเราคนอื่นๆจะเข้ามาเขาลืมตาขึ้นมองหน้าฉันกัาเมยอยู่อึดใจหนึ่งฉันสาบานได้ว่ามันเป็นแววตาที่พอจะอยังทราบเข้าใจความกันได้ดีทีเดียวแม้จะดูทมึงทึงน่ากลัวสักเพียงใดก็ตาม ยังเอามือมาจับคลำ ม, มือฉั่เลยแล้วเขาก็ปิดตาลงอีกเขาพูดหรือออกเสียงอะไรหรือเปล่ามีหลอดเสียงสำหรับที่จะเปล่งเป็นถ่อยคาออกมาได้เหมือนคนไหมพี่ชายถามหมอดารินกัดริมฝีปากน้อยได้ยินเขาคลงออกมาครั้งหนึ่งครับพี่ใหญ่ช่วงสั้นๆมันก็เป็นเสียงอย่างเดียวกับเสียงคนเรานี่แหละแต่แหบห้าวมากผิดกับไอ้พวกลิงบริวาร ที่ทำเสียงได้แต่เพียงโครคราโครครากไปตามเรื่องน้อยเชื่อว่าเขาจะต้องออกเสียงได้เช่นเดียวกับคนแน่นอนแต่จะพูดออกมาเป็นภาษาหรือไม่นี่ยังไม่ทราบชัยันมาเรียและกลุ่มแพนพื้นเมืองตรงกลับเข้ามาสมทบอีกครั้งด้วยสีหน้าแสดงความตื่นเต้นยินดีบุญคำและเกิดขนเอาหีบเวชภัณฑ์ของหมอดารินเข้ามาด้วยและไอ้นิลเพชรก็คลานสีขาโง่ง้างตามหลังมาเรียเข้ามาด้วยตามเคย เศษมากเชิดขาชัยยันบอกพร้อมกับยิ้มร่าของของเราทุกชิ้นอยู่ครบและเป็นระเบียบไม่มีอะไรขาดหายไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนอกจากกระบอกสอนของแง่ทรายซึ่งเราพบและเก็บไว้ได้ก่อนแล้วเท่านั้นขนาดบ้องกันชาของเจ้าสางปาน่ะมันยังอุตสาหเก็บมาด้วยเลยแน่ใจเหรอครับคุณชัยยันโดยเฉพาะอย่างยิงปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดของเรานะครับระบิน รพินถามพลอยยิ้มออกมาได้ด้วยแน่ใจสิผู้กองผมกับเมย์ช่วยกันตรวจสอบละเอียดหมดแล้วระหว่างที่เราค้นตรวจของอ่ะไอ้ธโมนี่มันไม่ได้ขัดขวางอะไรเลยยืนดูเฉยๆคล้ายๆกับมันรู้ว่าทำให้เราเข้าไปที่สัมภาระของเราแล้วเจ้านายของมันจะไม่มีโอกาสรอดได้งั้นแหละมันเข้าใจความหมายได้ทุกอย่างดีที่สุดเพียงแต่ใช้ภาษาพูดกันไม่รู้เรื่องเท่านั้นแหละ ดารินไม่ยอมเสียเวลาไปอีกเลยแม้แต่นิดเดียวหลอนถอดถุงมือหนังออกวางไรเฟื่อนลงอย่างไม่คิดว่าจำเป็นต้องติดมืออีกแล้วกราบใดก็ตามที่หลอนอยู่ในอาณาจากักรนี้และเปิดหีบเครื่องมือเวชพันของหลอนออกอย่างรีบด่วนมาเรียตรงเข้ามาเป็นลูกมืออย่างว่องไวแข็งขันในระหว่างที่ชัยยันเชษฐาและรพินหันไปสั่งพวกพรานพื้นเมืองทุกคนที่มุงล้อมเกะกะอยู่ ให้ถอยออกไปสงบนั่งพักผรอนอยู่ตรงกองสัมภาระก่อนเด็กําชับไม่ให้เดินเกะกะหรือออกไปนอกบริเวณปากเพลิงหินนอกจากให้รวมกลุ่มกันโดยสงบอยู่เช่นนั้นหมอดาริงยามนี้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากที่ได้เดินกลา ก, กลามมาลนลืมหายเป็นปลิดทิ้งเมื่อพวงอยู่กับภาระหน้าที่เฉพาะหน้าวิญญาณของสัญญาแพทย์มือเกียรตินิยมเข้ามาครองใจอย่างสนิท ยนไม่พวงถึงสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นลงมือปฏิบัติงานอย่างแคล่งครองรวดเร็วและสติสัมปชัญญะอันแน่วแน่โดยเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่โดยมีมาเรียเป็นผู้ช่วยโชคดีเหลือเกินที่อวัยวะภายในไม่ได้รับอันตรายเช่นไรเพียงแค่ผนังหน้าท้องเปิดฉีกกว้างออกไปเท่านั้นทุกคนได้ยินเสียงหลอนพึมพำเหมือนจะพูดคนเดียวให้สุดฝีมือเลยนะ่นน้อย พวกเราทุกคนภาวนาเอาใจช่วยเธอด้วยขอให้ภูมิใจซะเถอะว่าเธอเป็นสัญญแพทย์ที่โชคดีที่สุดในโลกที่มีโอกาสได้ผ่าตัดช่วยชีวิตพระเจ้ากรุงขีดขินกษัตริย์เมืองลิงดำไวอย่าให้พลาดเป็นอันขาดเชอนะถ้าพระองค์รอดพระชนชีพได้ก็คงประทานราชศั์ในท้องประครังให้อย่างมหาศาลและแต่งตั้งให้เธอเป็นแพทย์หลวงประจาราชสานักหรือตาแหน่งมกุฎราชกุมารี สืบทอดบัลลังก์แทนพระบิดาก็ได้ช ย, ยันกระสิบเบาๆหมอดารินอดยิ้มออกมาไม่ได้จุปากเบาๆนี่จะพูดเล่นไรสาระทำลายสมาธิฉันอยู่เลยแต่ช ย, ยันไปซะไปทั้งเธอทั้งพี่ใหญ่และรพินนะ่แหละถอยไปนั่งพักสักเถอะปล่อยฉันกัเมยไว้ตามลำพังดีกว่าขอเวลาสักยี่สิบสาสิบนาทีเท่านั้นแปบรองว่าเรียบร้อยยืนอยู่ที่นี่นะเกต ก, ก ะ, ปะปล่า ปะเดี๋ยวก็โดนมีดหมอเจาะหน้าจะเท่านั้นแหละท่านหัวหน้าคณะส ก, กิดแขนชัยยันกับพรานใหญ่เป็นสัญญาณให้ทอยห่างออกมาจากที่นั่นคงปล่อยให้หมอดารินและมาเรียทำงานกู้ชีวิตพยาวานอนกันตามลำพังหรือถ้าจะมีใครอีกสักตัวหนึง่งยืนคอยเฝ้ามองใต้ชิดอยู่ด้วยตลอดเวลาขณะนี้ก็คงจะเป็นเพียงเจ้านิลเพชรทหารเอกเมืองขีดขินตัวเดียวเท่านั้น ทั้งสามเข้ามานั่งพักรวมกลุ่มกับพวกพรานพื้นเมืองตรงกองสัมภาระริมผนังผาอีกด้านหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะสังเกตด้วยความแปลกใจว่าบัดนี้ตรงปากทางเข้าเวิงถ้ำหรืออีกนายหนึ่งท้องพระโรงนครลิงนั้นแน่นขนัดดำพืชไปด้วยประชากรวานอนซึ่งแห่กันมารายล้อมเฝ้าดูพญาลิงของมันเต็มไปหมดพวกมันเหล่านั้นแม้จะยัดเยียดอแน่นกันอยู่เป็นจานวนมากมาย แต่ก็มีระเบียบดีพอสมควรคือมามุงดูชะเงยชะแงอยู่ตรงบริเวณปากทางเท่านั้นไม่มีตัวใดรุกรวงล่วงรุกล้ำเข้ามาให้เกะ ก, กะบริเวณลานภายในและไม่ส่งเสียงเกี้ยวเจ้าเอ็ดอึงขึ้นเลยคงมุงดูอยู่อย่างเงียบสงบและสำรวมเท่าที่สัญชาตลิงจะทำได้ชายันหันไปมองแล้วหัวเราะฮือฮืชอบใจ นั่นห็นจะเป็นเหล่าพระสนมกำนันเสนาพฤฒามาดมาเฝ้าแห่ล้อมดูอาการประชวนของท่านเจ้าเมืองขณะที่แพทย์ต่างแดนถาวายการผ่าตัดว่าแต่ว่าถ้าคุณหมอดารินเอาชีวิตของเจ้าเหนือหัวของมันไว้ไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็ไม่รู้นะมันมีกฎไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้สินะว่ากษัตร์ของมันตายหมอที่รักษาต้องรับโทษ ด, ด้วยเสือกไปถูกอะไรขวิมาก็ไม่รู้สิ ทั้งเชษฐาและรพินไม่สนใจกับคำพูดแบบไม่มีอะไรจะพูดของชายันต่างช่วยกันหันไปสำรวจของอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้แน่ใจที่สุดแล้วก็พบว่าเท่าที่ชายันกับพวกนั้นตรวจไว้ก่อนแล้วนั้นถูกต้องไม่มีสมบัติของคณะเดินทางชิ้นใดคาตกสูญหายไปเลยทุกชิ้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยดีเกินคาดอันแสดงว่าเจ้าพวกนี้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ในระหว่างการขนย้ายมาที่นี่แทบว่าจะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนช้ำชอกเลยอาวุธปืนทุกระบอกก่อนที่จะหายกระบอกใดบรรจุกระสุนหรือตั้งกลไกไว้เช่นไรบัตรนี้จากการที่เจ้าของหยิบขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบก็พบว่ามันยังอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่างเจ้าลิงดำพวกนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือขยับขยื่นส่วนใดของกลไกปืนทั้งสิน้น คงจะแบกขนเคลื่อนย้ายกันมาเฉยๆสางตานั้นบัดนี้สบายอารมณ์และตาใสาขึ้นแล้วเพราะได้บ้องกัญชาคืนนอนไข่ห่างดูดควันอยู่ครอกครอกท่าทางกระปรี้กระเปร่ามีแรงขึ้นจากอาการที่จะตายไม่ตายแหละตลอดระยะเวลา12ชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนนั่งพักกันอยู่ด้วยอาการสงบเพื่อรอฟังผลของหมอดาริน ซึ่งกาลังปฏิบัติหน้าที่ง่วนอยู่นี่ผู้กองผมว่าผมพอจะอ่านเหตุการณ์ได้โดยตลอดแล้วนะอดีตท่านทูตทหารบกกล่าวแก่จอมพรานในขณะที่ตามองจับอยู่ที่กองสัมภาร ะ, ระด้วยความหวังอันแช่มชื่นขึ้นเมื่อเย็นวันนี้ก่อนที่มันจะลงมือดำเนินงานเพื่อเอาตัวพวกเราทั้งหมดมามันได้วางแผนไว้แล้วอย่างฉลาดเยี่ยมที่สุดคุณพอนึกออกไหม เราใช้พวกนี้ไปตัดหนามไหวโดยพวกเรารออยู่ตรงที่พักไอ้ตัวพ่อมดของมันก็เลยไปดักสะกดทําให้พวกนี้เดินวนเวียนหลงป่าอยู่โดยหวังให้พวกเราที่เหลือออกไปตามจะได้ทิ้งข้าวของไว้แต่ปรากฏว่าคุณออกไปตามคนเดียวประจบเหมาะกับที่คุณยิงไอ้ตัวพ่อมดของมันร่วงลงมาจากยอดไม้เสียงปืนทําให้พวกเราแห่กันออกไปหมดด้วยความเป็นห่วงทิ้งปางพักไว้ ซึ่งก็เลยได้โอกาสเข้าแผนของมันดอดเข้ามาขโมยของของเรายึดมาซะเพื่อเป็นการตัด ก, กําลังและเพื่อบังคับให้เราจํานวนต่อมันมันจะต้องรู้ดีที่สุดว่าถ้าเรารวมกลุ่มกันอยู่ครบทีมมียุทธสัมภาระพร้อมมุ่อยู่เช่นนี้เรากับมันจะไม่มีวันเข้าใจอะไรกันได้เลยเพราะถ้ามันบุกเข้ามาเมื่อไรก็คงแหลกกันไปข้างนึงเมื่อนั้นจึงวางแผนขโมยของไปซะก่อนผมเชื่อว่าภายในเมื่อคืนนี้เอง ที่มันขโมยของของเราของเหล่านี้จะต้องถูกเคลื่อนย้ายโดยเร็วที่สุดส่งล่วงหน้ามาเก็บที่นี่ก่อนแล้วและกองกําลังส่วนหนึ่งก็ทําหน้าที่ล้อมเราไว้เพื่อคุมตัวเราตามหลังมาในเช้าวันนี้สาเหตุทั้งหลายก็มาจากที่ว่ามันต้องการเอาเราให้มาช่วยรักษาตัวนายของมันที่นอนเจ็บอยู่นี่โดยสันติวิธี น, นั่นเองพรานใหญ่พิจารณาตามคําพูดของนายจ้างของเขาแล้วก้มศรีรษะลงอย่างยอมรับ เชฐาน่าจะคขเนรูปการได้ถูกต้องที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเฉลย อ, ออกมาได้ก็ต่อเมื่อแลเห็นผลบั้นปลายนี้เท่านั้นครับพวกมันฉลาดจริงๆฉลาดอย่างที่เราคิดไม่ถึงทีเดียวแล้วมันก็ทำได้ตรงตามแผนที่มันต้องการได้โดยไม่ผิดไปเลยถ้าคลาดเคลื่อนแม้แต่นิดเดียวระหว่างมันกับเราแทนที่จะเข้าใจกันได้อย่างเช่นขณะนี้มีหวังสู้กันยัดไปซะก่อน ผมคิดว่ามันน่าจะต้องมาจากสมองบงการของหัวหน้าของมันที่มีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งลิงที่นอนเก็บอยู่นั่นด้วยมันน่าจะมีอะไรลึกลับอย่างที่คุณชายว่าแต่แรกซึ่งไป น, นำหน้าพิเศษออกไปที่คอยบงการอยู่เหนือเจ้าลิงพวกนี้อีกทีหนึ่งเชษฐาครุ่นคิดแล้วว่าบางทีเราอาจค้นพบอะไรที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังถ้าใช้เวลาอยู่ที่นี่ให้นานชั่วโมงไปกว่านี้อีกสักนิดนะ สำคัญที่สุดก็คือขอให้น้อยช่วยชีวิตหัวหน้าไว้ได้ก่อนเท่านั้นมีอะไรหลายอย่างเหลือเกินที่เราอยากจะศึกษาค้นคว้าที่นครประหลาดนี่แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนเดินทางตามกำหนดของเราด้วยและท่านหัวหน้าคณะก็ถอนใจยาวจับไล่พรานใหญ่บีบหนักนวงพร้อมกับตบเบาๆทุกสิ่งทุกอย่างแห่งการรอดปลอดภัยของพวกเราทุกคน ตลอดจนกระทั่งประวิงเวลามาจนสามารถทำความเข้าใจกระลิงพวกนี้ได้อยู่ที่สติปัญญาและไหวพริบของคุณกระแง่ทรายเพียงสองคนเท่านั้นถ้าคุณดืแอแง่ทรายตัดสินใจผิดสั่งให้พวกเราต่อสู้กับมันซะก่อนในระหว่างที่มันล้อมเราอยู่และตลอดเวลาที่มันคุมเอาตัวมาต่านนี้มันฆ่าเราตายหมดแล้วก่อนที่จะทำไมตรีกันได้อย่างเช่นเดียวนี้ แต่ผมคิดว่ามันเป็นโชคดีของพวกเราเสียมากกว่านะครับที่ทุกคนพร้อมใจกันอยู่ในความสงบไม่ต่อต้านอะไรมันขึ้นเลยแล้วทั้งๆ ท, ที่ไม่เข้าใจภาษามันแต่ก็มีสัญชาตญาณพอที่จะอย่างรู้เข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับมันมาได้โดยตลอดแ ล, ล้วพรานใหญ่ก็ขมวดคิ้วทำท่าเหมือนจะเพิ่งนึกอะไรขึ้นมาได้โอ๊ะยี่พวกเราเกือบลืมอะไรกันไปซะแล้วสิอะไรเหรอนายจ้างทั้งสองถามเป็นเสียงเดียวกัน ก็แง้ายนะสิครับนี่เราปล่อยให้มันคุมเชิงดูล่าดเราอยู่ข้างนอกป่านนี้มันก็คงซุ่มรอฟังข่าวเราอยู่นี่เองโดยไม่ทราบความเป็นไปทางด้านเราเพราะพวกเราทั้งหมดหลบเข้ามาอยู่ภายในบริเวณเวิร์ถ้ำนี้ซะและ้วจริงด้วยสิชยันร้องออกมาความจริงสถานการณ์ของพวกเราทางด้านนี้ก็ไม่มีอะไรจะต้องเป็นห่วงกังวลอีกแล้วนะควรจะส่งข่าวให้แง้ายรู้ตัวด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้เรื่องพวักพวบนกันอยู่นั่นเอง ดีไม่ดีไอเสือนั่นเกิดบ้าระหาขึ้นมานึกว่าพวกเราได้รับอันตรายเกิดยิงธนูติดระเบิดพาเข้ามากลางเมืองลิงนี่เป็นได้ยุ่งเันใหญ่อะจอมพลานขยับลุกขึ้นยืนในทันทีนั้นก่อนที่เขาจะก้าวไปทางปากเพลิงซึ่งบัด น, นี้รายล้อมแน่นขนัดไปด้วยไพรพลลิงที่มาชะเง้อดูตัวเจ้านายของมันอยู่เชษฐาก็บอกว่าระพินบอกนายไปนะว่า สถานการณ์ไม่มีอะไรจะต้องวิตกวันเกรงอีกแล้วเราสามารถเป็นมิตรกับพวกนี้ได้และสั่งให้มันลงมาสมทบกับพวกเราซะเถอะไม่ต้องไปคอยซุ่มคุมเชิงอยู่ให้เสียเวลาต่อไปแล้วละ่ะจะได้ลงมาพักผ่อนรวมกลุ่มกับพวกเราซะระพินรับคำแล้วเดินตรงไปที่ปากทางเข้าที่พวกพลลิงล้อมแน่นอยู่พวกมันไม่ได้สนใจกับเขาเลยทั้งสิน้นคงชะเงอ้อชะแงมองเข้าไปยังหมอดารินกามารีย ซึ่งกำลังจดจออยู่ที่นั่นเป็นจุดเดียวสุภาพบุรุษไพรก็ไม่สนใจกับพวกมันเช่นกันเขาเดินเอามือแหวกวงล้อมของพวกมันเหล่านั้นออกไปหน้าตาเฉยเหมือนแหวกทางฝูงชนฉะนั้นซึ่งพวกมันก็เปิดทางให้แก่เขาโดยดีในที่สุดก็พ้นจากกลุ่มของพวกมันออกมาอย่างลานกว้างหน้าเชิงยอดผานั้นในมือถือกล่องบุหรี่ของชัยยันสะท้อนกับตะวันบ่ายชาย สงแสงเดาทรงไปรอบๆด้านแต่แล้วทันทีนั้นเขาก็แทบจะสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะ ฮ, ฮือฮดังมาจากเบื้องหลังพร้อมกับเสียงพูดห้ากังวานแจ่มใสดังมาว่าแน่ายอยู่นี่ครับผู้กองหันขวักมาตะลึงจ้องร่างของจอมพระเจรสหายศึกของเขาอยู่บนก้อนหินเตี้ยๆในลักษณะเอ็เอกเอนก อ, อย่างสุขารมณ์ ในมือถือผลไม้ชนิดหนึ่งกัดแทะเคี้ยวเยอบเยอบอยู่ในปากกำลังยิ้มและสงสัยตาเป็นประกายใสวาวจับมาที่เขาก่อนแล้วท่านธนูและกระบอกสรนสะพายติดอยู่กับไหลแง่ทายเขาทานหนักๆในลำคอจองขขมิงแล้วพรวดกามาถึงตัวไปยังไงมายัางไงกันนี่ทำไมแกขัดคำสั่งของฉันตามที่กำหนดไวเสือกลงมาที่นี่ทาไม เจ้ากระเรียงโฉมงามยิ้มละไมกัดผลไม้ลูกนั้นเคี้ยวอีกครั้งหนึง่งพร้อมกับยักไหลก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วไม่ใช่หรือครับในการที่ผู้กองจะต้องส่งผมไม่ขึ้นไปเป็นกองสอดแนมระวังเหตุอยู่บนที่สูงนะ่ะในความว่าอย่างไงเสียงของเขาเกือบจะเป็นตะโกนก้องด้วยความประหลาดใจในท่าทีของจอมพรานจอมพเนจรขยับตัวขึ้นนั่งตรงแล้วย้อนถามมาเงียบ หน้าตาเฉยวายาปลอดภัยแล้วไม่ใช่หรือครับวายาเหรออย่าสงสัยไปเลยครับผู้กองผมก็หมายถึงวายาเจ้าผู้ครองนครลิงดำอาณาจักรนี่แหละตอนนี้นายหญิงกําลังให้การช่วยเหลืออยู่แล้วไม่ใช่หรือครับขอให้ผู้กองและพวกเราทุกคนสบายใจได้แล้วนายหญิงเป็นศัลยแพทย์มือชั้นสามารถมากถึงยังไงเธอก็ต้องสงวนชีวิตของวายาไว้ได้อย่างแน่นอน ยอมพลานลืมตากว้างตะลึงงินไปอีกครั้งหนึ่งพอได้สติเขาก็หลุดปากออกมาว่าแงาสายแกแกรู้อะไรเหล่านี้ได้ยังไงนี่แงาสายนิ่งไปนิดหนึ่งระหว่างที่สายตาประสานกันนิ่งนั้นระพินไม่สามารถจะอ่านสิ่งใดได้ทั้งสิ้นจากประกายตาอันลึกลับนั้นขณะจิตต่ตอมาอดีตรอยโทกองจนเกเรียงก็ค่อยๆเคลื่อนตัวลงจากก้อนหิน ที่ขึ้นไปเ อ, เอนเอกเคนเอกนอนอยู่ยืนประจันเบื้องหน้าของจอมพรานผู้กองครับประเดี๋ยวผู้กองก็จะได้ทราบว่าผมรู้เรื่องความเป็นไปเหล่านี้ได้ยังไงเสียงนั้นกล่าวโดยสุภาพทีท่าสงบเยือกเย็นแต่ผู้กองจะไม่บอกผมก่อนนะครับว่านายหญิงดําเนินการช่วยหรือมนุษย์วานอนผู้นั้นเช่นไรบ้างและในสายตาของผู้กองเขาจะรอดชีวิตหรือไม่ ตอนนี้นายหญิงกำลังเย็บบาดแผลตรงหน้าท้องของชายประหลาดผู้นั้นผู้ซึ่งแกเรียกชื่อเขาว่าวายานั่นแหละฉันและพวกเราทุกคนก็เชื่ออย่างเดียวกับแกว่าเขาจะต้องรอดตายในครั้งนี้ด้วยความสามารถของนายหญิงขณะนี้พวกเราคนอื่นๆกำลังพักกันอยู่ในเวิรงกถ้ำน่ะนายใหญ่ให้ฉันออกมาส่งสัญญาณเรียกแกลงมาแต่ปรากฏว่าแกก็ดูเหมือนจะรู้อะไรไปหมดทุกอย่างแนละ้วลงมาคอยฉันอยู่ที่นี่ เนยสายพยักหน้าช้าๆเหลือบตามองไปยังเพิงปากเพิงถ้ำซึ่งยังมุงแน่นขนาดไปได้วยฝูงวานอนและพูดเบาๆว่าวาญะถูกไดโนเสาร์ประเภทมีเขาชนิดนึงขวิดในระหว่างนำฝูงบริวารออกทำการล้อมล่าเขาไม่เคยพลาดให้กับศัตรูใดมาก่อนเลยแต่ครั้งนี้เป็นคราวเคราะเหตุการณ์เกิดขึ้นมาสองวันล่วงมาแล้วครับนี่ ลิงพวกนี้ตัวไหนมันพูดภาษาคนได้แล้วมันบอกความนี้กับแกอย่างนั้นเหรอคำถามอย่างประชดแดกดันของเขาทำให้แงซ า, ายยิ้มออกมานิดหนึง่งผู้กองครับอย่าสงสัยเลยว่าผมจะมีความลึกลับซ่อนเร้นอะไรเลยมันเพียงแต่ผมไปพบเข้ากับสิ่งมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งค่ะสิ่งมหัศจรรย์ชนิดนี้หละครับที่ทำให้ผมรู้และเข้าใจอะไรได้จนทำให้ต้องลงมาดักพบผู้กองตรงนี้ เดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้กองส่งสัญญาณเรียกขึ้นไปว่าแต่ว่าผมจะนำผู้กองให้ไปได้เห็นกับสิ่งมหาศย์ดังกล่าวนี่เสีเดี๋ยวนี้หรือว่าเราจะรอคณะเจ้านายของเราทั้งหมดและให้ไปเห็นพร้อมกันผานใหญ่จ้องหน้าเจ้าคนลึกลับขมิ้งฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่แกพูดนะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ผมอธิบายด้วยคำพูดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เลยครับ ในเมื่อผมก็พร้อมแล้วที่จะพาผู้กองให้ไปเห็นด้วยตากระพินงงเต็มที่ไม่อาจทายอะไรถูกทั้งสิ้นเอาล่ะสิ่งมหัศจรรย์ที่แกว่านอยู่ที่ไหนแงใสาายชี้มือขึ้นไปบนหน้าผาสูงเหนือเวิงถ้ำอันเต็มไปด้วยต้นไม้ทึบก็ไม่ไกลหรอกครับปีนขึ้นไปบนนั้นตรงตำแหน่งที่ผมหลบคุ้มเชิงอยู่ตามคาสั่งของผู้กองแต่แรกนั่นแหละ ไม่เกินสิบห้านาทีก็ถึงครับจอมพรานแง้มมองตามเม้มริมฝีปากแน่นนายหญิงคงจะต้องใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวกว่าจะเย็บบาดแผลหัวหน้าใหญ่ของฝูงทรโมนพวกนี้เสร็จส่วนพวกเราคนอื่นๆก็คงจะพักผ่อนกันก่อนระยะเวลาระหว่างนี้แกพาฉันขึ้นไปให้เห็นกับสิ่งที่แกพูดก่อนดีกว่าถ้าเช่นนั้นก็ตามผมมาครับกล่าวสั้นๆ เพียงแค่นั้นแง่ทายก็เดินนำทันทีตัดทางเข้าหาหน้าผาอันสูงชันตอนหนึ่งห่างจากบริเวณเวิงถ้ำออกไปด้านหนึ่งแล้วเหนียวกิ่งไม้กับโขดหินที่งอกอยู่ทั่วไปนำล่วงหน้าขึ้นไปก่อนทันทีรพินไม่เอ่ยถามอะไรทั้งสิ้นแต่ไล่าตามหลังจอมพเนจรสหายศึกของเขาไปด้วยความพิศวงสงสัยขีดสุด ทั้งคู่อาศัยความคล่องแคล่วชำนาญในการปีนเขานำกายสูงขึ้นไปตามลำดับมันเป็นหน้าผาหินที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้และเถาวัลย์ตลอดจนไม้ใหญ่ที่ขึ้นเป็นระยะตามไหลยิ่งไตสูงขึ้นไปเท่าไรก็ยิ่งมองกลับลงมาเบื้องล่างแลเห็นนะคร ล, ลิงได้ถนัดชัดเจนขึ้นเพียงนั้นลักษณะของมันเป็นเมืองหินและเมืองถ้ำที่ธรรมชาติจัดสร้างไว้ให้เป็นอย่างดี ตั้งอยู่บนไหลเขาชั้นล่างลงไปเป็นชยภูมิอันเหมาะสมยากที่จะเข้ามาราวีได้โดยง่ายเพราะขนทางขึ้นเป็นทางลาดชันเวียนวกสามารถจะมองหินได้ถนัด ก, ก่อนที่จะเข้าถึงถิง่นพักใหญ่ต่อมาแง่ายซึ่งนำไต่อยู่บนเบื้องบนห่างประมาณสองช่วงตัวก็เนียวรากไม้ยึดอยู่ตามตะพักตออหนึ่งอันสังเกตได้ว่าเป็นส่วนของไหลเกือบจะยอดสูงสุด ของเขาลูกนั้นซึ่งมีพื้นที่ราบกว้างใหญ่อุดมไปด้วยทางด่านและต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่ทึบลักษณะร่มเย็นวังเวงจักจั่นเรไรประสานเสียงอยู่เซงแซ่ระคนไปกระเสียงนกนานาชนิดผกุกผินบินผ่านและส่งเสียงร้องระงมผลไม้ป่าหลากชนิดออกลูกดกเป็นเป็นช่อพวงหลากสีรอบด้านไปหมดร่วงกาดเกลื่อนอยู่ตามพื้น เป็นอาหารอันสมบูรณ์ของฝูงวิหกนกป่านานาพันธ์เหล่านั้นสลับไปด้วยไม้พันธุ์เครือเถาและกล้วยไม้ระหว่างรระพินเกาะกิ่งไม้เลี้ยวสำรวจภูมิประเทศแปลกตาไปรอบๆนี้แน่ทายซึ่งล่วงหน้าขึ้นไปก่อนก็ชะโงกพลูลงมาพร้อมกับโบกมือเป็นสัญญาณให้เขาไต่ตามขึ้นไประยะช่วงนั้นเป็นระยะสูงชันและขับขันยิ่งกว่าทุกตอน พินจึงปลดไรเฟิลออกจากไหลยื่นส่งให้แง่ทรายขึ้นไปก่อนเพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวและเบาตัวที่สุดแล้วจึงค่อยๆปีนตามแนวทางของแง่ทรายขึ้นไปอย่างระมัดระวังขีดสุดเพราะถ้าพลาดก็หมายถึงร่วงลงไปกระทบกับแง่หินที่งอกรับเป็นชั้นและจะต้องกระดอนลงไปสู่ความแหลกเหลวเบื้องล่างอย่างไม่เป็นปัญหาอีกช่วงเดียวจะถึงพื้นเบื้องบน สหายศึกของเขาส่งมือมารับรพินจับมือนั้นไว้อย่างมั่นคงที่สุดต่างคนต่างใช้พลังแขนและอุ้งมืออันเหนียวแน่นออกแรงฉุดดึงแล้วก็สำเร็จภายในชั่วอึดใจเดียวฝ่ายที่ฉุดซึ่งบัดนี้ทรงกายขึ้นนั่งประสานมือกอดเขา่าเหมือนจะถ่งเวลารอคอยให้รพินได้มีโอกาสพักชั่วขณะยมพรานสูดลมหายใจลึกกลิ่นดอกไม้ป่าบางชนิด โชยกลุ่นมักระทบคาบร์นะสศาสตร์สลับไปกับกลิ่นผลไม้สุกงอมช่วยให้บังเกิดความแช่มชื่นกระปรี้กระเป่าขึ้นแม้ตะ ว, วันบ่ายจะฉายแสงกล้าอาบลงไปเจอจ้าไปหมดแต่อากาศเหนือไหลเขาบนหน้าผาบริเวณนี้ก็เย็นช่ำสดชื่นเป็นระดับของอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอย่างประหลาดระพินพิษดูภูมิภาพใกล้ไกลรอบตัว ด้วยสัญชาตญาณพรานของเขาระหว่างนี้แง่ทรายนั่งนิ่งโดยยังไม่เอย่ยหรือเคลื่อนไหวไกายใดๆทั้งสิมเพียงแต่มองจับมาที่เขาเฉยๆกระพินขยับตัวเหลียวกลับมาพบกับดวงตาคู่ที่จ้องอยู่ก่อนแล้วไปน้ำต่อเขาบอกเบาๆ เ, เอื้อมมือมาคว้าไรเฟิลที่แง่ทรายวางอยู่กับพื้นตรงหน้าแต่จอมพเนจรสัศรรศร่นศีรษะแช่มช้า รอยยิ้มนิดๆปรากฏอยู่เหนือริมฝีปากเช่นนั้นไม่จําเป็นต้องไปไหนไกลอีกแล้วละครับผู้กองสิ่งที่ผมต้องการให้ผู้กองเห็นอยู่ไม่ห่างจากเราไปไม่เท่าไหร่เลยโปรดใช้ความสังเกตให้ถีท่วนสักนิดสิครับพรานใหญ่ขมวดคิว้วเหลียวสำรวจไปรอบกายอีกครั้งหนึ่งอย่างระมัดระวังแล้วเลนสายตาทั้งคู่ที่กวาดผ่านไปเป็นลำดับตามแนวอันร่มครึมของไพรพลึกรอบกายนั้น ก็พันมาสะดุดชะงักและจ้องเขม็งอยู่ที่หนึ่งชนิดที่ทำให้ต้องยกมือขึ้นขยี้ตาและลืมขึ้นจ้องอีกครั้งอย่างไม่แน่ใจว่าจะตาฝาดเห็นไปเองหรือเปล่าเนื้อแท่นหินอันราบเรียบภายใต้เงาสาขาของไม้ใหญ่ลักษณะเหมือนต้นรังร่างหนึ่งประดิษฐานอยู่ที่นั่นสนิทนิ่งแลดูเยียบเย็นประดุดโขดหิน และราวป่าที่แวดล้อมน่าจะเป็นหินหรือท่อนไม้สักท่อนหนึ่งในการมองผ่านในครั้งแรกแต่ไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่ท่อนไม้ระยะนั้นห่างออกไปเพียงไม่เกินส5ห้าวาจากที่เขาและแงสายนั่งอยู่ในขณะนี้นานเท่านา น, านที่รพินคยี่ตาอยู่หลายครั้งเขาก็กำหนดภาพที่เห็นได้อย่างแน่นอนจากระบบจักสุ ซึ่งไม่ได้วิปริตไปเลยร่างนั้นนั่งอยู่ในลักษณะขัดสมาธิเพชรลำตัวตั้งตรงฝ่ามือซ้ายช้อนรองอยู่เหนือฝ่ามือขวาซึ่งวางอยู่บนตักพอหุ้มร่างกายอันภายผมจนแลดูเพรียวฉลูดด้วยคากรองเปลือกไม้สีกลืนกับธรรมชาติรอบดัดผมยาวกล้าวมุ่นไว้เป็นกรวยสูงเหนือศีรษะหนวดและเครายาวลงมาปิดอก ดวงตาทั้งคู่ภายในกระบอกลึกหลวปิดสนิทไม่ได้ไหวติงกายแม้แต่นิดหนึ่งและไม่มีอะไรที่จะให้สังเกตได้ว่านั่นเป็นซากหรือว่าร่างกายที่ยังมีชีวิตระพิน์ไทรวันจ้องตะลึงอยู่เป็นเวลานานแล้วหลุดปากอุทานออกมากับตนเองอย่างเบาที่สุดว่าโยคีแล้วก็หันหน้ามามองแง่ายซึ่งยังอยู่ในอาการสงบ กับภาพที่เห็นอยู่เช่นนั้นประหลาดใจงุนงงไปหมดจนไม่อาจเอ่ยคำใดออกมาได้ชั่วขณะจะเข้าไปใกล้ๆไหมครับผู้ ก, กองในที่สุดเขาก็รู้สึกตัวขึ้นเมื่อได้ยินเสียงกระซิบของแง่ทรายแง่ทรายแกแน่ใจหรือว่านั่นเป็นร่างที่มีชีวิตเขาหลุดปากอกอกมาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ท่าน พูดกับผมได้ครับทั้งๆที่นั่งเป็นท่อนหินและหลับตาอยู่นั่นแหละครับท่านพูดกับแกเหรอระบพินร้องแง่าสายก้มศีรษะลงครับก็นี่แหละครับผมถึงได้เรียนผู้กองแล้วว่าผมได้มาพบกับสิ่งมหัศจรรย์เข้าระหว่างที่ผู้กองและคณะพวกเราทั้งหมดถูกกองทัพลิงควบคุมพาตัวเดินล่วงถินเข้ามาในดินแดนข้างล่างนั้นผมตัดทางปีนเขาขึ้นมาเตรียมพร้อมระวังคุมเชิงอยู่บนนี้ แล้วเห็นการเคลื่อนไหวของพวกเราทุกคนระหว่างที่เดินไปทางนั่นขึ้นทุกระยะแล้วก็รอคอยสัญญาณจากผู้กองว่าจะให้ผมปฏิบัติเช่นไรต่อไปแง่าสายเล่าแผ่วเบาทันใดนั้นเองผมก็แว่วเสียงเรียกจากเบื้องหลังเป็นกระแสเสียงที่ชัดเจนแจ่มใสที่สุดกังวานอ่อนเต็มไปด้วยความการุนผมสะดุ้ตกใจหันกลับมาก็เห็นนักพรตผู้นี้นั่งอยู่บนแท่นหินใต้ต้นไม้ ภาพที่ท่านนั่งอยู่ในขณะนั้นก็คือภาพที่ผู้กองเห็นอยู่นี่แหละครับหลับตานิ่งในลักษณะเข้าสมาธิเสียงหลอดออกมาจากริมฝีปากของท่านอย่างเดียวสดับได้อย่างแจ่มชัดผ่านเข้าทางประสาทหูและในดวงจิตของผมพร้อมกันท่านบอกให้ผมทราบว่าผมไม่ต้องคอยกังวลระวังเหตุร้ายใดๆทั้งสิ่งจะไม่เกิดอันตรายใดๆขึ้นแก่คณะของเราทุกคน ที่ถูกฝูงลิงพวกนี้จับตัวมาเลยสาเหตุที่พวกลิงดำไปนำตัวเรามาก็เพื่อขอความช่วยเหลือวายามนุษย์วานอนผู้ปกครองอาณาจักรลิงดำแห่งนี้ได้รับอันตรายจากสัตว์ ร, ร้ายมีเขาชนิดหนึ่งกำลังต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราแล้วบอกให้ผมกลับลงไปสมทบกับพวกเราข้างล่างทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีจากคาบอกเล่าของโยคีองนี้ละครับ ทำให้ผมทราบอะไรต่ออะไรที่ผู้กองสงสัยได้แล้วผมก็ลงไปคอยดักผู้กองอยู่ปากถ้านนท์อย่างที่เราพบกันเมื่อครู่นี้ล่ละครับพรญาญงันไปอีกนานด้วยความอัศจรรย์ใจขีดสุดในคำบอกเล่าของแง่สายและจากสิ่งที่เห็นด้วยสายตาขณะนี้แปลกจริงท่านพูดกับแกได้เหรอครับผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันท่านพูดภาษาอะไร พมาครับท่านพูดหรือบอกอะไรแกอีกบ้างละ่ะแงาสายสันน่ะท่านบอกความผมเพียงแค่นั้นผมพยายามจะสอบถามพูดกับท่านอีกหลายอย่างแต่ท่านก็ไม่ตอบอะไรอีกทั้งสิน้นบอกแต่เพียงให้ผมลงไปพบกับทุกคนข้างล่างแล้วก็นั่งนิ่งเป็นท่อนหินอยู่เช่นนั้นล่ะครับระพินยกแขนขึ้นป้ายเหงือบนจมูกมองหน้าแ ง, งาสายนิ่งอยู่อึดใจก็พยักหน้ากระซิบว่า นั้นเข้าไปใกล้ ๆ, ๆ, ๆเหล่าจบเขาก็ทรงกายขึ้นยืนจรดฝีเท้าเข้าไปยังร่างที่ประดิษฐานแน่นิ่งอยู่บนแท่นหินใต้ร่มไม้นั้นอย่างแผง่วเบาเงยสายเคลื่อนตามหลังเข้ามาด้วยหยุดพินิจจ้องดูร่างนั้นห่างจากแท่นหินออกมาเพียงสามวาท่ามกลางแสงทิวาการอันแจ่มใสปราศจากสิ่งใดอัมพรางระพินสำรวจอย่างใช้อาการพิเคราะห์ไคร่ครวญโดยละเอียดที่สุด ร่างนั้นคงสงบนิ่งเป็นดุจสนีภาพประหนึ่งท่อนศิลาจำหลักอันตราศจักวิญญาณอยู่ตามเดิมในระยะใกล้ที่แลเห็นอยู่แค่เอื้อมนี้เป็นร่างของชายผอมสูงซึ่งไม่อาจคะเนวัยได้ไม่แก่และไม่หนุ่มสภาพของร่างกายแม้จะผายผอมจนเห็นเงาของกระดูกแต่ผิวพันก็ยังสดและพองใสสีเหมือนอัมพัน ส่วนทรงและค้าวหน้าก็ไม่อาจบอกได้ว่าเป็นชนเผ่า พ, พันธุ์ใดแน่นอนดูคล้ายๆจะเป็นส่วนปะปนกันอยู่ในระหว่างชาวชมพูทวีปและทิเบต ร, รอบบริเวณของแท่นหินหรืออาสนะอันเป็นอาสมไม่มีร่องรอยของสภาพการเป็นอยู่แห่งชีวิตไม่มีกองไฟหรือเศษของพืชผลไม้หรือกระดูกสัตว์อันแสดงให้เห็นถึงการเสพ บ, บริโภคเพื่อประทงชีพใดๆทั้งสิ ตรงข้างบนไหลข้อศอกและที่เข่าทั้งสองด้านบัดนี้ได้กลายเป็นส่วนของที่ยึดใยแมงมุมบางชนิดซึ่งขึ้นชักโยงไปยังกิ่งก้านของต้นไม้เบื้องหลังบอกให้ทราบถึงความเป็นดุษณีภาพอันยาวนานโดยไม่มีการเคลื่อนไหวเลยอย่างไรก็ตามเหนือแท่นหินอันเป็นที่นั่งเข้าฌานไม่ได้มีใบไม้แม้แต่ใบเดียวร่วงหล่นอยู่หากแต่ไปตกทับถมเกลื่อนกลาดอยู่รอบรอบแทน่น พื้นหินปนดินลูกรังบริเวณนั้นพอจะสังเกตเห็นร่องรอยของสิงสัตว์จตุบาทอาศัยเดินผ่านอยู่ไปมาเป็นประจำไม่น่าเชื่อเลยว่าร่างนี้จะมีชีวิตหรือวิญญาณครองอยู่จนถึงสามารถพูดได้อย่างที่แงซายบอกเหมือนร่างที่ถูกหลออขึ้นด้วยสีพึ่งเสียมากกว่าและแบดบัตดนี้เขาจะเคลื่อนเข้ามาจนเกือบชิดก็ยังไม่เห็นการขยับขยื้อนตงกายใดๆเลย อีกพักใหญ่ทีเดียวทีรพินยืนจ้องอยู่เช่นนั้นเหลือบมาทางเบื้องหลังเขาเห็นแงซายลงนั่งราบอย่างสำรวมคาราวะอยู่บนพื้นบางสิ่งบางอย่างจากสิ่งแวดล้อมที่เห็นทําให้เขาบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขึ้นอย่างประหลาดจึงค่อยๆสุดกายลงนั่งพับเพียบกับพื้นตรงหน้าแท่นนั้นพนมมือขึ้นแล้วก้มลงกราบนมัสการพร้อมกับพูดแผ่วเบาอธิษฐานขึ้นว่า ท่านผู้บำเพ็ญศีลอันบริสุทธิ์ถ้าหากว่าท่านยังมีวิญญาณครองอยู่ก็ขอได้โปรดพูดขึ้นให้ได้ยินด้วยเถิดสิ้นเสียงอธิษฐานของเขานั่นเองฉับพลันสิ่งมหาสจ ร, ร์อันดับต่อไปก็พลันอุบัติขึ้นจนทำให้ระพินซาบซานขนลุกเกลียวขึ้นทั้งกายเสียงตอบดังลอดออกมาจากริมฝีปากอันเผยเยเพียงเล็กน้อยนั้นเป็นภาษาไทยกลางชัดเจนแจ่มใส ราวกับลิ้นของคนไทยแม้จะเพียงแผ่วเบาแต่ก็กังวาลอย่างประหลาดว่าขอความสวัสดีจงมีแด่พรานผู้เคร่งสัตว์จักเราโกนธัญญามุนีและเห็นในนมัส ก, การและจิตอันควรครารวะของเจ้าแล้วพระคุณเจ้า ระพินอุทานออกมาอย่างตกใจพิศวงเหลือที่จะกล่าวถ้าหูผมไม่ฝาดถ้าสมองและจิตใจไม่วิปริตผันผวนไปผมสาบานว่าได้ยินพระคุณเจ้าเอ่ยคำกับผมในภาษาไทยของผมเองด้วยเป็นความจริงเหรอนีอ่แล้วมันเป็นไปได้ยังไงครับเขาพูดเร็วปรือกระหืดกระหอบจ้องร่างที่ยังนั่งสมาธิหลับตาสงบนิ่งไม่มีวี่แววแหกแม้การหายใจนั้นตามไม่กระพริบ เจ้าไม่ได้ฟาดสมองและจิตใจของเจ้าไม่ได้วิปริตพันผวนไปอย่างที่เข้าใจเราปราศัยกับเจ้าแล้วในประโยคและข้อความที่เจ้าได้ยินโดยภาษาของเผ่าพันเชื้อชาติเจ้าเองพรนยานใหญ่สะบัดหน้าแรงๆหลายครั้ง หันไปมองดูแงซายทางเบื้องหลังเหมือนจะข อ, อการยืนยันว่าสิ่งที่เขาได้ยินอยู่ในขณะ น, นี้มันเป็นความจริงไม่ใช่ความฝันไปแต่เขาก็ไม่เห็นปฏิกิริยาการแสดงออกอย่างใดจากแงซายแม้แต่นิดหนึ่งนอกจากการประสานมือทั้งสองพันนมอยู่ที่อกโกธัญะพระคุณเจ้ามีนามดังนี้หรือครับใช่แล้ว เราคือโกทยะมุนีเจ้าได้ยินถูกต้องแล้วระพินขนลูกเกลียวก้มลงกราบอีกครั้งความรู้สึกยามนี้เหมือนฝันไปเพราะคุณเจ้าทำให้ผมงงประหลาดใจจนกล่าวไม่ถูกแล้วขอรับเพราะคุณเจ้าเป็นชนเผ่าใดมาจำศีลบำเพ็ญพรตอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยไหนนานเท่าไหร่แล้วแล้วเหตุใดจึงพูดภาษาไทยของผมได้แล้วขอรับ จากใบหน้าที่มีดวงตาทั้งคู่ปิดสนิทและดูเสมือนว่าจะปิดเช่นนั้นไปช่วนิรันดร์และจากร่างกายที่ไม่ขยับขยื่นไว้ติงเสียงอันแช่มช้ากังวานใสชัดเจนตอบมาว่าอดีตสมัยเราเป็นชนเผ่าเนปาลมีเลือดเนื้อวิญญาณและความรู้สึกนึกคิดเยี่ยงปุตุชน เช่นเดียวกับเจ้าและพวกของเจ้าบัดนี้เราละสภาวะนั้นมานานแล้วหนะักแท่นหินใต้ร่มพยารังใหญ่นี้เราบำเพ็ญพรตมาเป็นเวลา99ปีโดยไม่ได้ขยับขยื่นไปที่ใดทั้งสิน้น เราเป็นผู้บรรลุถึงแล้วถึงญาณอย่างสูงจึงยังรู้ได้ในสรรพสิ่งของดาวพระเคราะห์ดวงนี้และดวงอื่นๆในจักรวาลดังนั้นจงพึงขจัดความกังขาในข้อที่ว่าเหตุใดเราจึงพูดภาษาของเจ้าได้ ระพินภพยวันอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะหนึ่งแน่สายพูดไว้ถูกแล้วที่เขาเห็นและมีโอกาสปลาัยพูดจาด้วยอยู่เช่นนี้คือความมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งของโลกซึ่งไม่คาดคิดว่าจะได้พบพระคุณเจ้าจำศีลภาวนาอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาถึง99สบเกปีแล้วโดยไม่ได้ขยับขยื้อนเลยหรือกรับพรานใหญ่ครางออกมา เป็นเช่นนั้นและพระคุณเจ้าดำรงชีพอยู่มาได้ยังไงในภาวะอันฝืนธรรมชาติผิดวิสัยของสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ล่ะครับเราหลุดพ้นแล้วจากสภาวะการของสิ่งมีชีวิตร่างกายที่คงอยู่ของเรานี้ไม่ต้องการปัใจจัยใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับ การดำรงชีพไม่ร้อนไม่หนาวไม่มีความรู้สึกไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการขับถ่ายเราดำรวงวิญญาณอยู่ได้ด้วยสภาวะเป็นทิพย์และร่างกายอันเป็นอมตะจนกว่าการเวลาสมควรจะมาถึง จิตวิญญาณของเราจึงแยกออกเป็นอิสระจากร่างนี้โดยไม่หวนกลับมาอีกและเมื่อนั้นร่างกายของเราจะมีภาวะเป็นซากที่เหลือค้างอยู่ในดาวพระเคราะห์ดวงนี้เท่านั้นระพินยังมืนอยู่เช่นนั้นพระคุณเจ้าขอรับ การที่กระผมมาพบพระคุณเจ้าในสภาพเหนือภาวะที่กระผมจะเข้าใจอะไรได้ทั้งสิ้นรู้อยู่อย่างเดียวว่าได้มาพบกับสิ่งอันประหลาดมหาสัจจั์ที่สุดพระคุณเจ้ามีอะไรเกี่ยวข้องกับอาณาจักรของวานอนดำที่หยุดต่ำกว่าหน้าผานี่ลงไปหรือไม่ละครับประสบเราไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องผูกพันกับสัตว์เพศชนิดนั้น และไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตใดๆทั้งสิเรารักษาศีลบำเพ็ญตบะอยู่ณที่นี่โดยสันโดษว่านอนทุกชีวิตรวมทั้งวายาผู้เป็นหัวหน้าใหญ่ของนครดำเบื้องล่งรู้จักเราดีมาแต่ครั้งบัรพบุรุษสักการะ และเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนต่อเราเยี่ยงสานุสิท์เราก็แผ่เมตตาให้โดยทั่วทุกสรรพสัตว์แต่เราไม่เป็นภาระให้ชีวิตใดต้องไม่ยุ่งยากกังวลกับเราทั้งสิ้ระพินหันไปมองหน้าแง่สายอีกครั้งพระคุณเจ้าขอรับ พระคุณเจ้าล่วงรู้มองเห็นเหตุการณ์เป็นไปโดยตลอดทั้งทางด้านฝ่ายมนุษย์พวกผมและลิงพวกนี้กระนั้นหรือกระับสำหรับเหตุการณ์ที่เราจะต้องมาพัวพันอยู่กับลิงพวกนี้เนี่ยเสมือนศีลาจำหลักที่พูดได้โยคีโกทยมุนีตอบด้วยกระแสเสียงเดิมฟังเหมือนผ่านออกมาจากเครื่องบันทึกเสียงของโลกวิทยาศาสตร์ปัจจุบันว่า ประสบเราเห็นถึงการมาของพวกจักที่จะต้องผ่านเส้นทางนี้ขณะเดียวกันก็มองเห็นถึงความเดือดร้อนทุกขเวทนาของวายาพร้อมทั้งบริวารที่ได้รับอยู่อันเนื่องมาจากเคราะห์กรรมแต่การกอด อีกทั้งเรายังมองไกลไปถึงอนาคตเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสอดคล้องกันระหว่างมนุษย์ฝ่ายของเจ้าและลิงดำฝูงนี้ที่จะให้การเกื้อหนุนอุปการะแก่กันได้เราจึงบันดาลใจให้วานอนพวกนี้ไปชักจูงพวกเจ้ามา เพื่อให้มีอุปการะการแก่กันดังเหตุการณ์ที่เจ้าเองก็ได้ประจักษ์แก่ตาแล้วจอมพรานตะลึงไปอีกครั้งหนึ่งบัดนี้เขาพอจะมองเห็นอะไรได้กระจ่างชัดแล้วในข้อที่ว่าเหตุใดเจ้าลิงพันนิลเพชรพวกนี้จึงวางแผนได้อย่างฉลาดลำ้ำเกินสภาพของดิรฉานยกพลไปปิดล้อม และควบคุมคณะทั้งหมดของเขามาจนถึงที่นี่ได้อย่างสงบราบคาบที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกบรรดาลขึ้นด้วยอิทธิฤทธิ์ของโยคีตนนี้นั่นเองแต่คำพูดของโกธยมุนีก็ล้วนเต็มไปด้วยความในปริศนาอันยากที่จะเข้าใจได้พระคุณเจ้าขอรับผมเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองครับ ว่าทุกอย่างได้เกิดขึ้นจากอิกธิอำนาจของท่านเพื่อเรามีโอกาสได้ช่วยชีวิตพยาวานอนวายาแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจมากครับผมเองได้ฆ่าลิงพวกนี้ตายไปตัวหนึ่งเพราะความเข้าใจผิดแท้ๆแล้วครับรบพินพูดแหบๆรบพินไพรวันเสียงที่เอ่ยนามเขาออกมาอย่างชัดเจนที่สุดนั้น ทำเอาเจ้าของชื่อสะดุ้งโยงขนลุกอีกครั้งหนึ่งเจ้าอย่าได้ห่วงกังวลหรือครุ่นคิดเสียใจว่าเป็นเรื่องบาปผิดใดๆในเรื่องนั้นเลยทำใจให้สงบและเป็นสุขทึดในชีวิตเยี่ยมปุตุชนของเจ้าได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ถูกต้อง ที่สุดแล้วเจ้ามีหน้าที่ในการนำทางบุคคลคณะนี้รวมทั้งปกป้องสัพพะอันตรายให้แก่ผู้เขาด้วยและเจ้าก็ปฏิบัติมาด้วยความสุจริตซื่อตรงโดยไม่บกพร่องด้วยชีวิตของเจ้าเองนั่นเป็นสิ่งที่เทพและปีศาจ ต้องสรรเสริญพึงรักษาสัจจะนี้ไว้ให้ตลอดไปเถิดความจำเรินสถาพรจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวจ้ารวมทั้งอำนาจอันกล้าแข็งยิ่งซึ่งจะเป็นพาหณนะนำไปสู่ความสำเร็จที่ผลในเจตนาที่ชอบที่ควรทุกประกาศ ชีวิตใดก็ตามที่ได้สิ้นสุดไปแล้วด้วยน้ำมือของเจ้าเป็นชีวิตที่จำเป็นต้องถูกมาชดใช้นี่ให้แก่เจ้าในชาตินี้มันเป็นไปตามคันลองของบูรพกรมแม้ลิงชราบริวารของวายาที่ถูกเจ้าปรงชีพไปแล้วนั้นก็เช่นกัน กรรมเก่าของมันหมดสิ้นลงเพียงแค่นั้นวิญญาณของมันจะไปเกิดใหม่ในภพชาติถ้ามันระลึกเหตุการณ์ได้มันก็ชอบที่จะต้องระลึกถึงบุญคุณของเจ้าที่ช่วยให้มันพ้นทุกทรมานในชาติภพนี้ซะโดยเร็วพลันเจ้า เป็นผู้ช่วยอนุเคราะห์ให้มันสิ้นเวรเพื่อปลดปล่อยไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นเราลิงเห็นแล้วและเราก็เป็นผู้กำหนดให้เป็นเช่นนั้นพระคุณเจ้าขอรับวายาณและบริวารอื่นๆ อ, อาจโกรธแค้นอาฆาตผมได้จากสิ่งที่ผมทำไปแล้วนะขอรับ รับพินไพรวันจะไม่เป็นไปอย่างที่เจ้าวิตรกกลิ่งเกรงนั้นรอกเจ้าและพวกเจ้าบัดนี้มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของวายาแล้วพวกของกระผมทุกคนยังไม่ทราบความจริงนะครับขอรับ ว่ามีพระคุณเจ้าจำศีลภาวนาอยู่บนหน้าผาเหนือวานอ น, นี้ถ้ารู้เข้าก็คงจะโสมนัติปิติและคงจะต้องการมาเยี่ยมนมัส ก, การบูชากันทั้งหมดพระคุณเจ้าจะขัดข้องหรือไม่ครับหากผมจะบอกความจริงกกะบุคคลเหล่านั้นและนำเขาทั้งหลายขึ้นมาได้เห็นเป็นบุญตาครับเราไม่ขัดข้องดอกระพิน หากเขาเหล่านั้นมีจิตศรัทธามาเยี่ยมเยียนเราก็จงเชิญพวกเขามาเถิดภายหลังจากภารกิจที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้เสร็จสิ้นแล้วระพินหันไปส ก, กิดแง่ท า, ายแง่ท า, ายเราลงไปข้างล่างกันก่อนดีกว่าป่านนี้นายหญิงคงจะเย็บแผลวายาเสร็จแล้ว พวกเขาอาจจะสงสัยว่าเราหายไปไหนเขากระสิบแล้วชวนแงายคลานถอยห่างออกมาจากอาสนะอาสมของโกนธัญญะมุนีพอพ้นระยะสมควรก็ลุกขึ้นยืนเดินตรงไปยังขอบไหลตำแหน่งที่ไตกันขึ้นมาโดยเร็วพบของของเราแล้วหรือยังครับผู้กองขณะนั้นแงายก็เอ่ยถามขึ้นระพิงยิ้มออกมาได้ เออจริงฉันก็ลืมบอกแกไปเราพบสัมภาระของเราแล้วละ่ะอยู่ครบถ้วนเรียบร้อยดีทุกอย่างพวกมันขนไปกองไว้อย่างดิบดีในเวิร์กถ้ำที่อยู่ของวายามนุษย์วานอนหัวหน้าของมันนั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องสูญเสียไปแม้แต่อย่างเดียวถ้าไม่พบก็คงจะยุ่งใหญ่ละเพราะนายหญิงคงไม่มีเครื่องมือแพทย์ผ่าตัดช่วยเหลือวายาได้แลลักษณะบาดแผลเป็นยังไงบ้างล่ะครับผู้กองน่ากลัวมากเช่ละ หน้าท้องฉีกเป็นแผลกว้างและเห็นไส้พุงหมดถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงจะตายไปนนานแล้วแต่ลักษณะของวายาเหมือนสัตว์ป่าที่ทรหดที่สุดเขากำลังนอนหายใจขม่วขมวรอคอยความตายอยู่ขณะที่พวกเราเข้าไปพบแต่นายหญิงบอกว่าถ้าเย็บปากแผลจะให้สนิทเขาก็อาจจะรอดได้ขณะนี้นายหญิงช่วยกันนายแมมพวกเราคนอื่นๆก็นั่งพักอยู่ในนั้น นี่ถามจริงเถอะแงซายแพกพบรือสีรูปนั้นก่อนหน้าฉันนะท่านบอกอะไรกแกอีกบ้างแงซายยิ้มโดยสัตว์จริงครับผู้กองท่านไม่ได้บอกอะไรแกผมมากไปกว่าที่ผมบอกผู้กองไปแล้วนั่นเลยครับและผมก็ไม่มีเวลาที่จะพูด ก, กับท่านมากด้วยเพราะเป็นห่วงพวกเราข้างล่างพอรู้ความจากท่านสาหรับปัญหาเฉพาะหน้าผมก็รีบลงไปดักพบผู้กองเลย ก็ตั้งใจจะชวนขึ้นมาให้เห็นด้วยตาตนเองเนี่ยแหละครับพรานใหญ่กัดริมฝีปากเบาๆหันกลับไปมองยังร่างของโยธีโกญยะอีกครั้งอาการเต็มไปด้วยความครุ่นคิดพิศวงไม่สัางจะเชื่อไม่ไงทรายว่าฤาษีรูปนั้นนะ่ะนั่งจำสีอยู่ที่นั่นเป็นเวลาถึงเก้าสิบเก้าปีแล้วและเป็นผู้สำเร็จอย่างรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าอดีตหรืออนาคต ก็ผู้กองแล้วครับเชื่อไหมแงสายย้อนถามทำให้เขาอึ้งไปขณะหนึ่งแกก็คงจะเห็นแล้วอย่างฉันเราสังเกตไม่เห็นร่องรอยของการดำรงชีพยอย่างมนุษย์ธรรมดารอบบริเวณใกล้เคียงกับที่ท่านนั่งจำศีลอยู่เลยและขณะที่เข้าไปดูใ ก, กล้ๆฉันก็มองไม่เห็นว่าท่านจะหายใจเหมือนศพหรือท่อนหินนั่นแหละตาก็ไม่ยอมลืมขึ้นแต่คาพูดของท่าน แสดงว่าท่านรู้อะไรหมดทุกอย่างแม้กระทั่งชื่อของฉันผมนับประหลาดใจมาก่อนผู้กองเลยละครับเพราะก่อนที่ผมจะเหลียวไปพบท่านท่านก็เอ่ยเรียกชื่อผมมาจากทางเบื้องหลังเหมือนเรียกชื่อผู้กองเหมือนกันเาวากับว่าท่านรู้จักมกคุนกับผมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่งงั้นแหละแง่สายพูดเสียงต่ำๆและยักไหลผมเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดครับ ร่างที่เราเห็นนั่งจำสีงอยู่นั่นเป็นร่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์และเต็มบริอิทธิฤทธิ์ด้วยอำนาจตบาบะชานจริงๆถ้าจะวิเคราะห์ตามหลักชีววิทยาร่างกายของท่านอาจถึงแก่มรณาภาพไปแล้วก็ได้แต่วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านยังอยู่ผมเคยพบโยคีมาบ้างแล้วครับแถบฮิมาลัยสมัยที่ผมฝึก้าการรบแบบกองโจรในอินเดียโยคีเหล่านั้นแม้จะมีอำนาจจิตสูง และมีอิทธิฤทธิ์ที่จะแสดงปาฏิหาริย์ได้แต่ก็ยังดูศักดิ์สิทธิ์หน้าเลื่อมใสเท่ญญากนธัญมุนีรูปนี้ไม่ได้เพราะถึงยังไงโยคีเหล่านั้นก็ยังต้องอาศัยกองกูลบูชาเพลยังต้องเสพอาหารเพื่อดำรงชีพแม้จะน้อยกว่าคนธรรมดาก็ตามยังต้องหายใจเคลื่อนไหวแต่พระคุณเจ้าท่านนี้สนิทนิ่งเหมือนเป็นทิพย์ไปหมดลักษณะเดียวกับเทพอืม จริงอย่างแกว่าเขาเห็นพ้องด้วยกับคําพูดเรียบเรียบของแง่ทรายและฉันก็คิดว่าพวกเราน่าจะได้ประโยชน์อย่างมากทีเดียวจากการยังรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตของท่านครับต้องได้ประโยชน์แน่ละครับถ้าท่านยอมบอกเราว่าแต่ทํานไมคิดว่าจะเสียเวลาเกินไปนักผมมีอะไรอีกอย่างหนึง่งใจผู้กองได้เห็นด้วยนะครับอะไร ต้นเหตุตัวการที่ทำให้วายาทองทะลุครับระพินเลิกคิ้วขึ้นอย่างฉุกใจมองหน้านี่แกจะ ช, ชวนชั้นตามรอยเพื่อไปให้เห็นเจ้าสัพว์ชนิดนั้นอีกละสิอย่าลืมนะว่าเราไม่มีเวลามากนักนะตอนเนี้ยแง้ท า, ายหัวรอบเบาๆพร้อมกับสันรีสักผู้กองครับตอนนี้นะไม่จำเป็นต้องตามรอยมาแล้วละ่ะเพราะมันอยู่กับที่ แล้วก็ถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วด้วยมันก็คงเป็นไอสัตว์ประหลาดยุคโลกล้านปีซึ่งไม่มีอะไรจะต้องสนใจนักในตอนนี้ใช่ไหมแต่ผมอยากให้พวกกองได้เห็นวิธีการต่อสู้อันฉลาดล้ำของเจ้าลิงพวกนี้ครับดูจากลักษณะร่างของสัตว์ชนิดนั้นแล้วเรานึกกันไม่ออกเลยครับว่าเจ้าลิงดำจะล่ามันได้ยังไงแต่พวกมันก็ทาได้สาเร็จอย่างงดงามที่สุด แม้ว่าวายาหัวหน้าใหญ่จะพลาดถึงขั้นไส้ไหลแต่ผมคิดว่าเกิดจากความประมาทมากกว่าอื่นใดครับนี่แปลว่าแกไปเห็นมาแล้วงั้นสิครับก่อนหน้าที่ผมจะขึ้นมาถึงไหลเขาตอนนี้ผมผ่านบริเวณที่มันต่อสู้กันมาก่อนและภายหลังจากพิจารณาก็พอจะอ่านออกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นทานองไหนแต่ขณะนั้นไม่เข้าใจอะไรนัก จนกระทั่งได้รับการบอกเล่าจากโยคียรูปนี้ว่าวายาเคราะรารเช่นไรจึงนึกออกครับไกลมากไหมละ่ะไม่ไกลครับพร้อมกับพูดแงไซชี้มือไปทางแนวทางด่านอ้อมเลาะเรียบไหลเขาก็แค่ลงเนินนี่ไปทางตะวันตกหน่อยเดียวเท่านั้นแหะครับเราจะสีเวลากันอย่างมากก็ไม่เกินสิบนาทีครับระพินช่างใจ เลียวกลับไปยังนครวานอนเบื้องล่างซึ่งบัดนี้แลเห็นประชากรลิงกำลังเดินกันอยู่พลุกพล่านแต่มองไม่เห็นว่าคณะของพวกเขาคนหนึ่งคนใดจะผูกกายพ้นจากเวงถ้าออกมาปรากฏในสายตาทุกคนจะยังนั่งพักกันอยู่ในถ้าแห่งนั้นและบางทีหมอดารินอาจจะยังทำงานของหล่อนไม่เสร็จเรียบร้อยก็ได้ไปก็ไปแต่หวังว่าแกคงไม่หลอกให้ฉันเสียเวลาเกินไปนักนะ อื่นได้นะไม่สําคัญหรอกฉันกลัวพวกเขาจะเป็นห่วงเพราะเห็นฉันออกมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้บอกพวกเขาไว้ด้วยว่าฉันจะตามแกขึ้นมาบนนี้ทุกคนไว้วางใจและเชื่อมือผู้กองอย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนี่ครับแต่เขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเป็นห่วงฉันไม่ได้ไม่ใช่เหรอในกรณีที่เขาไม่รู้เดาไม่ถูกว่าฉันหายไปไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเช่นนี้นะี่ย ถ้าเฉะนั้นเรากลับลงไปก่อนก็ได้ครับระพินช้ ง, งักจ้องตาอยู่อึดใจนี่ถ้าอ่านไม่ผิดฉันว่าแกมีกังวลอะไรอยู่บางอย่างเกี่ยวกับการที่จะเร่งให้ฉันไปดูเจ้าสัตว์ประหลาดอันเป็นต้นเหตุให้วายาไส้ไหลนั่นใช่ไหมแง่ใาสา่จอมพเนจรยิ้มกร่อยๆไม่เคยมีใครทันผมอย่างผู้กองเลยครับและก็ไม่เคยมีใครทันฉัน เหมือนไอ้นกรู้อย่างแกเอาละมีอะไรหรือที่จะบอกฉันซะก่อนเดี๋ยวนี้ก็ได้ฉันไม่คิดว่าแกเพียงแต่ต้องการให้ฉันไปดูวิธีการต่อสู้ของเจ้าพวกลิงดำเหล่านี้อย่างเดียวหรอกนะมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นที่เป็นต้นเหตุของความห่วงกังวลไม่ปลดปลงใจของแกด้วยสิ